อุาตามะสุกันฟังให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาการปฏิบัติให้รร้จั ก, จกต้องจุดหมายปลายทางในสิ่งที่เราจะต้องทำให้ถูกที่ถูกทางมันก็มีหลักอยู่การศึกษาชีวิตเรา มันก็เป็นหลักสูตรมันกันการศึกษาวิชาการต่างๆเป็นสูตรของสากลสองห้าเป็นสิบสองหกสิบสอ ง, สสองป น, นั่นแหละสูตรสากลสูตรชีวิตเราเนะี่ยมันก็มีเรียกว่าสติปัฏฐานสูตรแต่มัน ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่รู้ว่าตรงไหนหมือเช่าได้พูดเรื่อง <c oughs> การใส่ใจการกระทำให้ตรงเป้าคือบมเพ็ญทางกิจการบำเพ็ญทางกิจก็มีสตินะคะความรู้สึกตัวมันก็คือจิตมัารู้สึกกายก็คือจิต เดี๋ยวเอาไปทำอะไรความรู้สึกตัวไปคอยดูคอยดูตัวมันจะหลงมันเกิดขึ้นที่กิดทั้งกันตัวหลงก็เกิดขึ้นที่กิดตัวลูกก็เกิดขึ้นที่กิดถ้าคาเป็น ท, ปาทางกิดพระบริเจ้าจัดสรู้ทางกิจใจถ้าจะชนะก็ชนะตรงนี้ถ้าจะแพ้ก็แพ้ตรงนี้ถ้าผิดก็ผิดตรงนี้ถ้าถูกก็ถูกตรงนี้ มาเกินักโวยอโอลิม ป, ปิกแต่ชกตรงอื่นคะแนนมันไม่ขึ้นต้องชกให้ถูกใบหน้ามันถึงคะแนนมันจะขึ้นชกตรงอื่นเขาไม่นับการที่จะปฏิบัติให้มันถูกก็ต้องดูกิจเทวันคิด ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจล้วให้มันทันทันท่วงทีถ้าไม่ทันมันก็ยังไม่จริงยังไม่คล่องต้องให้รู้ทันรู้ทันรู้เท่ารู้ทันบางทีมันลูกกันลูกเกะรู้เท่าคิด ครั้งหนึ่งก็รู้เท่าครั้งหนึ่งคิดสองครั้งก็รู้เท่าสองครั้งรู้ทันก็รู้ทันขณะที่มันคิดนั่นพอมันคิดก็รู้ทันทีพอรู้ความคิดก็หมดท่ามันก็หมดท่าเมื่ก็ชกทีหนึ่งแล้วถูกบ่อยๆทกถูกบ่อยๆเมื่ก็ต้องหมดแรง น่คือเป้าหมายของการบาเพ็ญทางกิจไม่ใช่ไปบริกรรมบาท่องบนยุบเนอพองเนอพุทโตพุทธโตไปทำมันดึนไปเอารูปแบบอันดึนรูปแบบการกบกันฉันกันหนุ่งกันห่มรูปแบบการกราบการไหว ร, รูปแบบการอะไรที่เป็นภายนอกภายนอกมัน มันไม่ได้คะแนนอกไปนั่งสงบไปติดสงบมันก็ไม่ได้คะแนนไปติดสุขมันก็ไม่ได้คะแนนไปติดรู้มันก็ไม่ได้คะแนนมันก็มีนะอารมณ์บางช่วงไม่มีความสุขไม่ีความสงบไม่ีความรู้เป็นจินตญานเป็นวิปัสสนูเป็นปิติเป็นปัจ ส, สถธิ อธิษก็เป็นปัญญาด้วย <c oughs> แต่ปัญญาที่มันเป็นจินตญาณแต่ไปลงมันเล่นงานกับตัวหลงตัวลู่เนี่ย ล, ลู้สึก <c oughs> ให้ลู่สึ ก, ใ ห, กให้ไม่ไรลู่ลู่ที่กายไว่พลางๆพอมันชิดขึ้นมากับลู่พับสติให้ว่ายสักหน่อยผู้ที่มีอารมณ์ โอ้ยทยังไม่ได้หลักก็ให้ได้หลักรูปนามให้เห็นรูปจะทําเห็นนามมาทมแล้วก็เข้าเป้าพอได้หลักแล้วก็ลําดับการกระทาที่แรกลําดับบ้างก็ไม่เป็นไรลําดับโลของเขาซ่อมวิชาอะไรก็ต้องลําดับ ทำแบบของเขาเราก็ลําดับพิกมือลู่สึเกเคลื่อนไปไปมาลู่โอ้ตัวลู่ตัวลู่ตัวลู่ลำดับไปลําดับไปก็เข้าถึงภาวะที่ดูภาวะที่ดูก็เข้าถึงภาวะที่เห็นพอเข้าถึงภาวะที่เห็นก็เข้าถึงภาวะที่ไม่เป็นเป็นตัวดูอความหลุดพ้นก็อยู่ตรงนี้แหละ คามไม่หลุดพ้นก็อยู่ตรงนี้นี่คือเป้า <c oughs> นี่คือจุดจุดมหัศันด์ของการศึกษาชีวิตเราเหมือนกับที่เราสวด ม, มุตตะกี้ น, น, นี่ว่าอเนกชาติสังสารังสันทะพิสังอเ น, นพิสัง เมื่อเรายังไม่พบญาณเมื่อก่อนนี่ไม่มียาณไม่มีสติเราไม่ทันกับความคิดแต่แล่นไปกับความคิดนับไม่ถ้วนหรือว่าความคิดก็คือเราวิ่งไปตามความคิดแต่ น, นเด็กกระชาติอันเดก็กขึนับไม่ไหวจนล้อมจนพระพุทเจ้าด้อุทานครั้งแรก แบบนี้เราลุกจากแก้วใช่แล้วเจ้าจะทําอะไรให้เราไม่ได้อีกแล้วจิตของเราได้ถึงแล้วถึงสภาพที่อะไรตรงแต่งไม่ได้อีกต่อไปนี่เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าอุทานออกมาก็พอเห็นอันนี้แหละเริ่มเป็นพุทธตรงนี้แหละผู้ลุกผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นความเป็นชัยชนะ อ๋อนิดตัวเองไม่ใช่ไปเห็นอะไรที่แท่ก็เห็นความคิดที่เป็นเจ้าส ม, มุทิไทยเป็นเจ้าสังขารที่มันเราเป็นชี้ข้าเราไม่รู้จักเลยรับใช้มันแบบเทินเทอนแต น, นี่ยเรามาดูมาเห็นเขา้าอืม มันก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าถ้าเราไม่ศึกษามันก็มากสับสนไม่รู้จุดไหนเป็นจุดไหนจับโน่นจับนี่ผิดผิ ด, ผดถูกถูกโดยเฉพาะวิธีเจริญสติปัฏฐานนี่ตามขั้นตอนไปเลยเบื้องแรกกายานุปัสสนา โผว่าจากกายก็คือเวทนาโผว่าจะกจิตก็คือเวทนากลบไปเลยจิตตานุปัสนาอ้าวมันก็ไม่อยู่ในกายเพราะมันเป็นโูกประธรรมเป็นนามธรรมมันลูยจากคิดมันลูยจากปวดมันลอยจาก่วยมันลูยจากสศกมันลูยจากทุกข์เพราะมันไม่จิเป็นมีนามธรรมเราก็ไปเห็นมันเองแต่ว่าจิตตานุบทสนา มันมีสองอันที่มันอยู่ด้วยกันคือมีกายกับจิตอาชาทำเรีวกว่ารูป ก, กับนามนี่หลักของสติปัฏฐานกำลังจะลื้อลื้อถอ น, เ ป, นเป็นสูตเป็นสูที่ลื้อถอนตัวตนแต่ทใไมเกิดเป็นทุกข์ทใไมเกิดพบเกิดชาติสูตรลื้อเห็นธรรม มันเกิดขึ้นกับกจิตเรียกชื่อว่าธรรมใชความโกรธก็เป็นธรรมความโลภ ก, ก็เป็นธรรมความหลง ก, ก็เป็นธรรมคามไม่โกรธก็มไม่โลภควมไม่หลง ก, ก็คือธรรมแต่มันจะเปลี่ยนเป็นกุศลและอกุศลเกิดขึ้นที่จิตเพราะจิตไม่รู้บริวารสิ่งแวดล้อมที่ถ้าไม่เกิด เรามีลูกลูมันก็มีวัตถุภายนอกวัตถุภายในเกี่ยวข้องกันไปหมดยื่นหมูยื่นแมวฮะกันไปป่าป่าเถือนเถื่อนแต่มีผู้ตรวจสอบมันก็จะไม่เถือนก็จะตรวจสอบอะไรพิจรอะไรถูกก็มีสตินั่นอันวันนี้กำนันมาพูดเรื่อง การบริหารส่วนท้องถิ่นชื่อของมาเป็นของไม่ดีแล้วก็เ ข, ขาเอาราคากลางราคาหอกอจอเรพราะไม่ได้ซื้อเพื่อประชาชนทำาัยปิงป่องเขาเชื่อตนหนึ่งห้าร้อยบาท <c oughs> ลงพ่อซื้อได้ต้นละ450เรนจีกิงที่ตัดใหม่ๆยังไม่ได้จำใส่กระถางต้นละ35บาทลงพ่อซื้อจำใส่กระถางแล้วต้นละ25บาทแต่มีคนตรวจสอบรู้ทันมันก็เาก็ยังสู้นะเรายังหาว่า อามายิ่งมายิ่งกับเขาไมา่ใฉยทุเลากำนันไปตรวจสอบแล้วก็ในรับเค้่ไขกอเลยทะเลาวิวาทกันเราเรื่องมันกันละ่ะถกตรวจสอบกับคนคิดคนคิดมันยังไม่ยอมยังดูอยู่อืมมันจะซุกขมันก็จะเอาสุก มันจะทุกเวลามันทุกมันก็ยังเอาทุกขามีสติเขาไปดูไปตรวจสอบลูกแล้วมันก็ยังพื้นขึ้นไเนีน่มันดื้อขนา ด, น, ด น, น, นั้นอะไรไว้กิดดือกิดดื้อกิดซุกซนนั้นเรามีลูกสักห้าคนใช่คนมึง คนหนึ่งนี่จะเรียกว่าดื้อก็ไม่ดื้อก็ไม่ใช่ไม่ฟังเสียงอะไรใครจะบอกใครจะสอนก็นเฉยคนหนึ่งก็ซุกซนหรูอนี่ให้เป็นบอกก็บอกอีกคนหนึ่งก็เจ้าลำคาญ ก็กปัญหาหมายถึงในวรณธรรมเกิดขึ้นที่คิดก่อนดื้อของกิจในหลายร้ายฉะบแกเล่าแกอีกแกเล่าแกอีกสอนแล้วสอนอีกแล้วก็เพียรพยายามจะวางธุระจะทอดธุระใส่ใจลงไปสนุกสนุกกับมัน กับเราไม่ลูกไม่หลานสนุกไปกับคนสอนลูกสอนหลานเวลามันผิดก็หอออัวเราะยอะบังก็ได้แต่มันผิดเราโกรธทุกทีโกรดทุกทีทกทมันโกรตายแล้วพูอเป็นพ่อแม่เป็นแม่ถึงว่าเลาะเลาะมันเคยหออัวเราะตัวยังไหมอ่าโยงเฮยหออัวเราะตัวยังไหม หรือว่าหัวเราะแต่คนอื่นเคยด่าตัว่างไหนหรือว่าเคยด่าแต่คนอื่นบางทีเราก็หน้าหัวเราะนะตัวเราไนอ่เนาเจออะไรบางคนโกรธเอเท่านี้มันก็โกรธหรือมึงจะทําอะไรได้เขาว่าท่านี้ก็โกรธหรือเนี่ยเป็นพ่อเขาเป็นแม่เขาเป็นพี่เขาเพราะว่าเท่านี้ก็โกรธหรือเนี่ย ตอดกันจนตีหัวกันแตกนะแล้วเรามาดูดีๆโอ้หน้าหัเลาะนะเราเลื่อนทันนั้นแล้วเร า, เาเราูา้่อนทันมันก็รวมวงผสมวงไปกับเขานี่เอรอสติก็ค่อยแกะลอยไปแกะลอยไปโล่ก้นบึง้งอะไรว่าสมุทยัย ตัวสมุทัยจริงๆมันคืออะไรคือตัวหลงอ่าวตัวหลงมาอยู่ตรงไหนคือตัวไม่รู้ตัวไม่รู้อยู่ตรงไหนคือตัวเราเจตนาตัวใส่ใจตัวสร้างอ้าวโอ้มันก็ไม่มากพอมสับทันทีเลยปันเจ้าเลยตัวเฉลยมันนีอยู่โจ์มันนีตัวเฉลยมันก็มี เกิดขึ้นเท่ฉลยโจทย์เท่านั้นฉเฉลยเท่านั้นแต่เราไม่เฉลยเก็บไว้เป็นการบ้านไปมัวคิดเรื่องรักเรื่องชังไปมัวคิดเรื่องโกหกเรื่องโลภเรื่องหลงเป็นการบ้านข้ามวันข้ามคืนเหมือ <c oughs> นกับ <c oughs> อาจารย์กับลูกศิษย์ เดินทางด้วยกันเดินั่นเดินไปถึงแม่น้ำมีผู้หญิงคนหนึ่งก็รออยู่ตรงนั้นเขาข้ามน้ำไม่ได้เราต้องข้ามน้ำบ้านเขาอยู่ฝั่งโน้นแต่อาจารก็ เ, เอาบาดให้เน้นสะพายแล้วก็อุ้มผู้หญิงคนนั้นข้ามไปฝั่งโน้น เราจึงเดินกลับมาเอาบาทแนนน้อยลูกศิษย์ก็คิดแล้วเรินไปทั้งวันหนึ่งอาจารย์ทำไมอุ้มผู้หญิงอาจารย์ทาไมอุ้มผู้หญิงไม่วินในแล้วไม่วินในห้ามไม่ให้อุ้มผู้หญิงคิดเป็นการบ้านไปตอบไม่ได้แจ้ไม่ได้สับสนไปหมดฟังเลสยองสัยไม่มีตัวเฉลย มีติโจดทำไมทำไมทำไมทำไมพอไปถึงที่พักลูกศิษย์ก็อดไม่ได้ทนไม่ได้เข้าไปหาอาจารย์โดยที่จะโต้ให้ถึงใจโดยอ่านมาจริงพิสูจจับต้องก็ยหญิงต้องสังคาริเศษไม่อาจารย์อ้วมเลยแท้เนี่ยจับต้องก็ยหญิงถามอาจารย์อาจารย์ทําไมจึงอ้มวมหญิง ที่สูญจำต้องก็ยังต้องสงฆาทิเศสนะโอ้เร า, เาวางไว้นอนเลยเร า, เาวางไว้ฝังตงนะั้มหัวเช่าหน่อยเธอจำกระสาอุ้มมาถึงนีนเลยเลยในแบบ่แบบแบบเซนเขพูดนะแต่ว่าถ้าไม่เก่งก็ไม่ใช่นะพุกเซนเนี่ยเสี่ยงถ้าไม่เก่งก็เสี่ยงนั่นนะถ้าไม่รู้จะเฉลยมันก็เป็นการบ้าน ชีวิตตี่ทำไมทำไมทำไมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทำไมจึงทำอย่างนั้นทำไมจึงคิดอย่างนี้ทำไมจึงพูดอย่างนี้เป็นชีวิตที่ไม่เฉลยเป็นชีวิตที่มีการบ้านมีปัญหาแต่เรามาลูสึกลูสึกลูศึกลูศึกนี่ยเอ้ามาเท่าไรปล่อยเท่านั้นมาเท่าไรเฉลยได้เท่านั้นเฉลยได้หมดชีวิตเรา ส่วนไหนที่เกิดกับรูปกับนามส่วนไหนถ้าเกิดกับกายกับใจนี่เป็นสิ่งที่เฉลยได้ถ้ามีสติรู้สึกหลกระจบท่า น, น่ะภาษาผมก็บอกเห็นแล้วไม่เป็นเห็นแล้วไม่เป็นดูไม่เข้าไปอยู่เฉลยแล้วเห็นไม่เป็นดูไม่ได้อยู่ มันสุขก็เห็นมันสุขไม่ได้เป็นผู้สุขมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์ไม่ได้เป็นผู้ทุกข์วิตแบบนี้คิวิตทีเบาเบาเบว่อทำไมหน้าไม่น่ า, นาจะเป็นอย่างนั้นทำไมทำไมเป็นชีวิตที่หนักเป็นพาลาหาเวปันจักขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อเป็นพาลาททนหนัก ทำไมเนี่ยหนักไม่น่าจะเป็นนี่ยเป็นชีวิตที่หนักเพราะฉะนั้นง่ายทีดเดียวนะเพราว่านะง่ายทีดเดียวชีวิตเราเนี่ยศึกษาชีวิตนี่เป็นศึกษาที่ง่ายง่ายแต่ไปคิดยุ่งยากอะไรทําไมคุณจะไปคิดยุ่งยากอะไรได้ไ <laughs> ม่ <laughs> ยากไม่ยาก ไม่ง่ายไม่ยากอ่าวันนี้ก็พอละสาธุพร้อมกัน